พอเรียนวิชาได้แล้วก็ขั้นทดลองแลที่สิ่งภาคปฏิบัติก็พาลูกน้องไปแล้วไ ป, ไปนั่งที่นั่นเราไปถึงที่มันที่นี้จะมีเสือแล้วก็ไปนั่งครูก็นั่ง่ไ ล, ล่มนุ่นเลยทพอไล่มนุ่นคนเราก็ตัวนั้นอยู่ ก, กันก็นมาก่อนแล้วมาก็เหมือนสัตว์บ้านเหมือนกันนะคือมามาแบบมันมีสติสตังเหมือนสัตว์บ้านมา เดีว <lation> เดี๋ยวตัวน <g ül üyor> <La> ั้นมาเดี๋ยวตัวนี้มาบางทีมาถึงถึงสตัวก็มีว่างอนกันนะนานมาก่อนมาหลังมาแล้วแต่ตัวไหนอยู่ใกล้อยูไกลด้านหลังนี่นะลูกศิษยนี่ตัวสั่นเท่นั้นอ่ะเรียนวิชาศึกษาเฉกขี่เสื้อเจอแตวบอกเอ้านี่ไปขี่เอาตัวนั้นมาขี่มันนี่มาคูนทั้นทดลองขั้นทดลองนี้ก่อนนะไปไม่ได้ใครก็ไปไม่ได้กลัวมีตาคนนี้คนเดียว ไปได้เห็นที่ไปแกมีเหตุผลเรื่นนะอง ก, กลัวนี่กลัวจนจะก้าวไม่ออกจ่ว่างั้นนะแต่เชื่อครูถ้าครูไม่เก่นจริงเสือมันจะมาอย่างนี้ได้อย่างไรว่างั้นนะนี่มันมาเหมือนกับสัตว์บ้านเหมือนกับว์ไม่มีหัวใจดุมดิ่ ม, ด, ม, ด, มดิ่มมาอยู่อย น, น, นอนอยู่เป็นเพื่อนผ่านๆตามภาษีภาษาเหมือนกับอะไรเหมือนกับสัตว์บ้านว่งั้นเถอะนะบอกลูกศิษย์นั่นอนะ ตั้งบอกที่แล้วคนวคนไม่ได้เรื่องเลยมันบอกท่าก็บอกแกก็บอกบนะบอแล้วเอาไปขี่ตัวนี้มาไปก็อู้สละชีวิตหรือว่างั้นแกว่านะสละชีวิตไปตไอ้ครูกับลูกน้องลูกศิษย์ก็นั่งเต็มนั่นมันก็นอยู่กไขีมาหาครู มีเขาฝึกเบิกขาทักทักปฏิบัติเอาบุงต้นนะดูปังนีิพอขี่ตัวนี้มาแล้วตัวนี้ก็มานอนนี้มาไปขี่นั้นมาอีกเนี่ยบอกบอกคนนี้แหละก็ไปขี่มาอีกค่อยหานขึ้นไปหานขึ้นได้ว่างนั้นน่ะไม่เป็นไรใหม่เว้ยแล้วไปขี่ตัวนี้มาแล้วขี่ตัวนั้นมาแล้วบอกให้พวกนี้ไปขี่มันมานอนอย่างนี้แล้วให้ไปขี่ก็ไม่ยอมไปพวนี้มันตัวสั่นอยู่หมดนี่เป็นภาคแรกนะเอาเนี้พอ พอไลม่นมนันไปเหมันกับปุ๊บปั๊บไปเลยนะพอพอพอไลม่มนมันแล้วมันก็ไปไปไปไปเลยอนี่นี่ภาคแรกนะภาคปฏิบัติเขาเรียที่ที่ภาคที่สองเอาทดลองนั่นจนกระทั่งแน่ใจเสก่อนนะไม่ได้ผลคนุนเดียวนะแต่ได้ผนแต่สุดท้ายก็ไปเลยสองคนเท่านี้แหละพผมนั้นไม่ไปด้วยแลย้วตาก็ให้มาขี่มาหาครูครูไ ล, ล่มนันมันมาจนกระทั่งแน่ใจเป็นไงแน่ใจแล้วยังว่า วิชานี้เป็นยังไงพอแน่ใจแล้วอ้าที่นี้ภาคภาคที่สองนาะที่นี่นะครูนั่งอยู่นี่ให้ลูกศิษย์นี้ไปนั่งโน้นแล้วให้ลูกศิษย์เป็นคนไล่มลนเองนะแล้วให้เวลาเสือมาแล้วให้ขี่เสือมาหาครูอีกหนั่งเป็นภาคที่สองนะฟังนี่อาจารย์เจี๊ยบไปนั่งมาเห็นกันนะให้ไปนั่งโน้นแล้วก็เป็นให้ไล่มลนไปไล่มลนเรียกเสือมาพอเสือไม่ได้ให้ขี่เสือมาหาครู แล้วขี่มาอะไรจริงตอนนั้นก็เป็นที่แน่ใจแน่ใจเลยที่แน่ใจแล้วนั่นแหละตรงนั้นออกจากครูได้แบบไ ป, ปเยนตงนี้นยิงออมาอยู่นี่โอจะขี่จะเสือทตรงนั้นแหละเขารู้กันต้องบ้างเขาเห็นก็มีก็ <c oughs> เ, เห็นจะสี่เสือขี่เ ส, อ ส, เสือก็มีพวกส่วนมากพวกควานเห็น <c oughs> เรื่องสติมันเจ่งมากเหมืนกันคิดว่าสติหยือ่อะไรก็ไม่ทราบนะไอ้ชาคนเดินมาเป็นหมูเป็นพวกก็เป็นอย่างห น, หนึ่งนะขนาด สะพานนุ่นอะ่ะ ม, มันจะดิ่งเลย น, น, นะท่านนี่อาการน้งมันนะ ม, มันกระโดดหนีแล้วนะเราขี่มนะันคือบางทีไปหลงป่าหลงรกบางอะไรบางบางทีเหนื่อยบางไรมันขี่เอาเสือมันขี่หน่อยหรอขี่ขนาดหกสองว้เป็นท่ากันเขาว่าแค่ว่างั้นนะขนาดหกสองนี่ขี่ไปไม่ถึงไหนพาเรา ล, ลม้มตั้งเจ็ดแปดสอขึ้นไปเก้าสองไปขี่ได้ทนว่างั้นนะอืขี่ได้กนนะไดกล ขนาดหกสองไว้เป็นท่าละขีไปได้ร <laughs> ับเฮ้ยไม่ถึงสิบเส้นเาพาระล้มคือเวลาละล่ามันตัวหนือยู่กลางก็มานี่อกาเป็นคันเวลาจะไปหาด้เนื้องี้ยบางทีเราไปเที่ยวในป่าแลเี้ยไม่ทราบมนมันดุมๆดุมๆมาตําหนังเนี่ยมาแล้ว เหมือนหมาเนี่ยนะว่างั้นโอ้ยมันมาอะไรเนี่ยถ้าวันไหนมันมาด้วยงั้นมันจะตึงท่าหละว่างั้นเหมือนหมาเนี่นะมันไม่เหมือนธรรมดานะเหมือนหมาในบ้านเราเนี่ยตอนที่เรายิงเนื้อเจ็บนะที่เราตามรอยเนื้อนี่มันดุมดุมาตามหลังนี่แหละด้วยมาตามหลังเรามันมาจากเมื่อไหร่รู้ที่พอเราดูรอยเนื้อมันแปลกประหลาดมันมีวกยู่บนมันจะนอนอนั้น เมื่อเจ็บมันก็ม้วกผมเมนกันกเกมกกนเนื่อเจ็บมันไปหน่อยทีนถ้าพอถึงจุดที่เราจะไปยิงเนื้อนี่เนี่ยเราต้องเอาอะไรให้มันนะเอบผ้ามั่งอะไรบางทิ้งมน่นด้มันเศ่ามันเศร้าถ้าเป็นของเรานี่ทิ้งไม่ได้มันเศ่้าเแล้วเราก็ไปมันไม่ไปด้วยมหมอมึงจะไปพอปืนป้างนั้นนะถึงแล้วถึงแล้วถ้าว่า มันตายมันไล่กัดเลยถ้าตายแล้วก็ไปก็ขึ้นนั่งอยู่บนหลังขัตแล้วก็ไปเหมือนหมาเนาะบางทีนอนได้จนตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมามานอนมันนอนอยู่ด้วยกันอยู่มันตื่นงั้นนะเราไม่เรียกกระทำมันออกมาเองเพราะนั้นก็มีมัแปแล้วท่นแต่งเสียฟังยศคือเราไม่เรียกมันก็มาเองเหมือนเหมือนกับเรากับมันมันจะประสนิกันไงก็ไม่รู้ ผมไม่เคยด้ยินโหได้ยินนะผมทัดเตือกเลยคนละคนในบ้านนั้นเขาพูดกันทั้งบ้านเลยเรื่องวิชาขี่เสือมันยืนวิชามีเขาเล่ามวิชางูมีมีเลือกขี่เสืออันนี้แต่เขาห้ามฆ่าเสือนะ ให้ขีดเสือห้ามฆ่าวิชางูก็ก็ห้ามข้างูงูการนด้เป่าเป่ออ า, าออกไปเลยพิษออกไปเลยน้ำเขียวปปเปื่อยเลยนี่อาจารย์มหาวิทยาลัยท่านพูดท่านพูดท่านเห็นต่อหน้าต่อตาได้พูดไปฟังอยู่เชียงใหม่แปลกนะท่านพูดถึงเรื่องเขามีวิชาเป่างูงูการนด้ นี่เป่านี่เป่าแล้วใส่น้ำขันนะ้ำแล้วก็เป่าไปเป่งไปแล้วก็น้ำเขียวเปื้อเลยถ้าหมอนี้ได้ได้เป่าได้ทันได้เป่าแล้วไม่ตายว่างั้นห้ามห้ามเลยโอ้ใช้ศาสตร์นันก็อนของมันเหมือนกันอยู่ยงคงกระพันมันีโอ้ใกกช้ศาสตร์ทั้นั้นถ้าวันนี้ไม่มีใครนั้นมันก็ไม่มีเลย วางไงเหมือนอ่ะเหมือนนี้นบบนอืมเมื่อ ก, ก่อนถ้าลงว่าจะเสือแต่เขาไม่เรียกว่าเสือเขาเป็านักเลงเขาเป็นนักเลงคน น, งนั้นคนนี้นะโอ้มีแต่เหนียวทั้งนั้นแนหะทุกวันนี้เสือเสือแต่ใจนะตายขี่น่ะขี่หน้าเมือก่ยิงไม่ได้เรื่องจแทงก็ไม่เข้านสยาสา มันเป็นือป่าแล้วตรงมันเปลี่ยนแปลงเป็นขนาดนั้นนะมดแถวๆบ้านผมนเป็นบ้านป่าบ้านตรงบ้านสัตว์จริงๆสวนสัตว์ที่เราเลยมดเลยที่อยู่เราผมไม่นึกว่ามันจะเป็นปขนาดนี้หมูป่านี่เป็นเป็นร้อยอแต่และฝูงมมันไปไหนมันแฮลกไปหมดเลยนะผมได้เห็นด้วยตาผมเองเม่ก็ผมเป็นเด็กมาถึงพอแตกหนุ่มนิดมันก็ยังมีมากอ่นะแต่มันห่างไกลไปหน่อยแล้ว พอแตกหมู่นี้ห่างไกลมันอยู่ใกล้หน่อยไปนู่นแหะที่บ้านอะไรโคตราดโคตเลือะมีเยอะถึงนู่นแล้วใกล้บ้านคนนี้มีเต็มฝูงหนึ่งประมาณสามสิบยี่สิบไปอย่างนั้นแ่ะอยู่ตางแถวนี้ <c oughs> พอถึงนู่นแล้วมันไปที่ไหนนี่แหลกไปเลยอ่ะมันเหมือนกับหัวฝูงนี่แหลกไปเลยเราตามไปเราไม่ต้องตามมาเดินไปเรื่อยๆไปเลยเพราะมันมันมันแหลกไปหเห็นหมด มดอาจารย์ชอบแม่ท่านึงเห็นหุโปัวป่าวัวแด ง, งน่ะท่านไปอยู่โน่นทั้งนู่นในดง น, น, นก็อยู่กับพวกเขาตักน้ำมันยางาใช้กินเขาเอาเขาไปเพานานีา่ออกมาออกมานั่นเระพอออกมาถึงโคก ต, ตะวันบ่ายอะ น, นีน้ออกมาโอ้โหวัวแดงอ่ะ เป็นฝูงใหญ่จริงๆเหมือนกับไอ้วัวคือฝูงที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านจนท่านไม่ได้คิดว่าเป็นวัวป่านั่นแหละคือมันมันตั้งหน้าอนะไรท่านท่านก็มาทางี้มีทางเรียกเรยกทางบ้านมาอะไรบ้านนาของคนของเ ข, เขียนบ้านเขาไปตักน้ำบางอย่างน้ทางเข้าไปทางโลกๆแหละมันมาโคบตะวันวานหน้ามันหันหน้าทางโน้นมันจึงไม่ได้มองมาเห็นคน ถังเดินไปบุกโหมืนวีก็ะดที่แท้ไงถ้าใมาเดียวยบ้านผมมีมวยอนก็มีบ้านผมบ้านเดี๋ยวมันเีวมาไยไก่แท้นลยพ่อวางผลยาวก่มันต้องปั๊ปับปัปั๊บหัวมวยยังไม่้จะไปหาสินยัง่วยแหละมันคล่องตัวเลยงบป่าถ้าให้เจ้าของไปแท้มาเฮ่อผมบอกว่ามดแต่เฮือดที่เดวมัมดเลยนะ เพียงเลยโอ้ยมันเหลวพึบเดียวเลยหายงับหมดเจ้าของไปเห้ยวะก่าวิบ่าแล้วห้องไรเป็นวลาแล้วก็บด้คิดว่าเป็นงวปาไหมกันก็คิดเป็นงบ้านทุนมากก็มากมันบแล้วจยหน่อยมบตามก็สามสีเดยวเลยเม่้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มากป๊อปป๊ปอมันไป่องปัวมันะตอนเจ้าของไหนป่างเป็นพันย่งงูนี่พอวางฮึบทีเดียวเลย หายักเลยมัมาเร็วแท่เร็วทึครับเดี๋ยวทำมาโอ้ยงัวป้านี่สุโห่นี่ยมีคนเดินชอบไปพูดบ้งขนาดนั้นฟังดิมันมาหรือไมมาหมดสนพันเนี่ยเขาใหญ่มันจะมีสักกี่ตัวนั่หัวแดงพวกกิมันก็จะมีอยู่เขาใหญ่นั่นนีหโครานั่นแหละโคราดน่ที่เป็น บรรณาทิารของเขาเนี่ยเขาเลี้ยไงไ้เออเขาก็รักษาไว้สิใครไปแตะเขาแล้วเขายิงเลยคนถือปืนเข้าไปนั้นไม่ได้เขายิงเลยฟังว่าหัวหน้าคนนี้ถ้าสัตว์มากกว่านั้นนะรักษาหนะเออบ้านเขาเขาผูกบ้านนะคนไปเช่าตาอากาศดูสัตว์ก็มีเยอะนี่นะข้อแรกผมฟังค ง, ง, งเทื ไปดูกลาคือมันออกมากินเพื่นเพืนเหมือนพันเต็มไปหมดนี้มันไม่ได้กลัวคนว่างนั้นนะพวกวางพกกระทิงพวกอะไรมันมาเพื่นเพืนเหมพันมันเหมือนสัตว์บ้านอหรอมันไม่ได้กลัวคนบอกเพราะเขาไม่ทําไ ม, ม่มันมันจึงไม่ออกนี้ไปไกลจากคนช้างก็มีแต่เสือมันก็มีโง่ถ้าลงสัตว์เนื้ออยู่ที่ไหนเสือมต้องนี้ ที่เขาใหญ่เยไปเลย็ออกไปเลยเขาเขาถ่ายภาพมาอาตัวท่านเลยคนมขอไปขโมรยโมยเรื่อยะงานี้มีมีเป็นเรื่องคับไอ้พวกนี้็จยิงกองนั่นตาแล้วก็แตงสวนกันอยู่พวกือมาขโมยแต่ไงมันก็ต้องให้ แต่ที่นี่เขาใหม่นั่นเนองนะไอทางการนั้นไหม่นั่นเอมันเาาอาไปยอพวกตีรักษาเนอะนะไอพวกต ร, รักขายนี่ผิดผมดูเอ ง, งเสหยทเนี่ยมันเน่างนี้นตอนไี้มัสั่ง ก, กันหมดดังั้นใส่ก็หมดทำให้อำนาจคุณไม่มาผต้องแหน่าเอกขาเลยหายาไปร่ำอบไปที่นั้นแตนน่มีอาวุธเป็นตัตดสินนั้น ม, มันไทยเราไม่คอจังกับอะไรนะครับเหมือนอย่างมานอครับมันไทเราม่คือไม่จังกับอะรนะักนะมเคยฟงังพวกยค้นใครมจะยิมชัดไงนะครับนั่นถูริงผ ม, มนี่ต้องอย่างนั้นเหร ปัญญาเป็นของผลได้ให้มีกำลังมากและกว้างขวางละเอียดไปได้เราถ้าดูปันญารา้องกาก่อนก่นว่าันก็ตั้งตัวเอ้มันก็ดำมีงานอะไงเราเข้าอตัวกไปเข้ามือตัวไปเรื่อยการมันก็หมุนติ้วเลยตรงนี้แ่เรื่องการปฏิบัติมันทำไมมไม่ลืมเรื่องเราเรียนมามากน้อยลืมไปหมด ข้ขอห้าคุณปฏิบัติที่เราปฏิบัติามาตั้งแต่ต้นที่เราเริ่มจนกระทั่งถึงปัจจุบันบนี้มันไม่ได้ลืมนะเพราะมันเป็นความจริงมันอยู่กับใจนี่มันไม่ทำไปลืมเหรอความจำมันอยู่โน่นความจริงนั้ความจริงนี่มันไปลืมองชื่อของชื่อปันหาชื่อของอดของทหรือผมว่าผมนิทานเรื่องราวของคนนั้นคนนี้สัตว์นั่นกัตว์ี่สันว์นันผุดต้นกันไ ได้แล so ้วม erm. ันจำจำได้แล so ้วมันลืมแต่เวลาปฏิบัติทางน้านติดกจมันมันปรกกขึ้นมาอะไรๆมันไม่ลืมอันนี้ก็ข้ากับที่พญาติเสกเก็บเพรยังยิคือ่านึั้นหงยุ่งขั้นกงยงเหมือนกันกับคนค่อยๆไปว่าถึงขั้นก็ยกล้องหนีไอขั้นหลงยุ่งขั้นอย่าง ก็ม้วนจำชื่อจำเสียงผู้คนเหมือ น, นั้นบ้านนี้เดินอัดเดินทาทาหน้าลืมผู้อนเร่อยๆในส่วนที่ไม่ลืมก็คืออริยสัจสิ่นะอริยศัจท่านไม่ลืมเลยวันทศรุษจันทรันรุ่งทำตุลาธันวันนี้ผ่านไม่ลืม อันนี้เข้าใจจริงๆเข้าด้านวัฒนธรรมกับหัวใจล้าผมไม่ลืมประวัติที่ไหนที่ไหนเป็นยังไงๆนี่มันเปิดตรงนี้ก็อ่านได้เลยปุ๋ยเงพอเราย้อนดั้นรู้เรื่องนี้มันรู้ไหมดเลยถ้าตอบันาดเส้นแบบผมผมก็เลยยิีทุกอย่างเนี่ยดูจบผมอยู่รู้เนี่มีปัญหา ดูยังไ่เจอตรงนี้ดูเรื่องจบเรื่องจบโอ้โงการควงวางถือโอ้หผมไม่ใช่ยิงกันนะถืออะไรถือหยกเรื่องต่างๆคนทุกวันที่เกี่ยวน่าสนใจอะไรกันหึ่งแค่ตอนนถือกันนี่ผมก็ไม่เคยเอาไปดู ้เกียจความกว้างไปทฤษฎ3ปีทฤษฎีไปเรยนสัก30ปีนะทฤษฎีผมเนียขี้เกียจหนังสือแต่ก่อนดูไว้ไหนมากดูปติภาดูหาขันโอ้โหขางผมผู้สั่งของจริไม่รู้ว่าตกกี่เที่ยวนะฮึะอเอามาอ่านในภาษาตลอดเลาอ่านจบทุกจบทลวูวขาเนี่ยม่รู้กี่เที่ยวเลยแต่ผมมัน อะไรมันเพราะภาวนามปนเกียวติก็โทใช่ไหมล่ะเราต้องได้ดูเติมที่กรรม <c oughs>